พยานความรู้ที่นบีนำมามาสอนเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่มาจากอัลลอ์และใครเป็นพยานอัลลอ์เป็นพยานพอแล้วนี่วันนี้เราเรียนเรื่องที่อัลลอ์ส่งผ่านนาบีมุฮัมมัดมานะคืออัลกุรอานและกุรอานนี่เป็นมุอะจิซาตทั้งเล่มเลยนะและโลกใบนี้เดินตามอัลกุรอานทั้งเล่มเดินตามกุรอานและกุรอานนี่จะพูดเรื่องวันเกียร์มาเยอะ พูดวันกิยามากเยอะมากเลยและโลกใบนี้เดินตามอลัลกุรอานแล้วก็สังเกตนะเนี่ยเราเนี่ยมีอยู่ใกล้วันกิยามากเต็มทนแล้วนะและสัญญาณที่อัลลอ์ให้เห็นนะเห็นหมดแล้ววันนี้เห็นหมดแล้วนะเอาต่อมากับอายะห์เท่าไหร่นะเก้าสิบเจ็ดเก้าสบเจ็ด ว่าไมยั่ดิ الله فهوالمهتد ผู้ใดที่อลัลลอฮ์ทรงแนะแนวทางหรือว่าทรงนำทางนะผู้ใดที่อลัลลอฮ์ทรงนำทางหรือผู้ใดที่อลัลลอฮ์ทรงแนะแนวทาง ฟ้ฮาฮุวัลมูตัดดังนั้นเขาเป็นผู้อยู่ในทางนำที่ถูกต้องอันใครที่มีศาสนาอิสลามอาจจะพูดอย่างนี้หาว่าเข้าข้างเกินไปกูอานไม่พูดนะใครที่อยู่ในทางนำคนนั้นอยู่ในทางนำที่ถูกถูกต้องและทางนำที่ถูกต้องอยู่ที่ไหนอัลกุรอานและสุานนะท่านลบีอย่างอื่นอธิบายไม่ได้อ่า ฉะนั้นผู้ใดที่อัลลอฉะนั้นคนที่มีาศาสนาที่นั่งกันเต็มสุราหวันนี้เนี่ยนี่มาเองหรือว่าอัลลอจัดให้อัลลอจัดอัลลอจัดและที่ที่ไม่ตื่ น, นมาซูโบโูรเนี่ยอัลลอจัดหรือเ ร, เราทำเองเราทำเองอย่าโทษอัลลอไม่ได้นอนอยู่บนบ้านเนี่ย <c oughs> นะครับอ่าเพราะฉะนั้น ว่าไม่ยาดิลลัหูฟะหูอัลมุตัดผู้ใดที่อลัลลอฮ์ทรงชี้นําทางหรือว่าทรงนําทางหรือแนะแนวทางแก่เขาดังนั้นเขาเป็นผู้อยู่ในทางนําที่ถูกต้องแล้วว่าไม่ยูบลินและผู้ใดที่อลัลลอฮ์ทรงปล่อยให้หลงทางนะครับหรือว่าปล่อยให้เราหนหรือบ่นหลงทางไม่สนใจศาสนา คนที่ไม่เอาศาสนาเขาเรียกว่าคนเลยนะคนหลงทางหรือคนละหลุนใครใครใครใครใค ร, ใครทำเนี่ยอลัลลอฮ์วางกดเอาไว้ไงถ้าไม่เอาศาสนาเนี่ยนะคนนั้นอลัลลอ์เรียกว่าคนไม่เอาคนหลงทางแล้วคนหลงทางเป็นยังไงฟาลันตาจีดาลาหุมอัลเลียะมินดูนีดังนั้นพวกเขาจะไม่พบ ฟารันตาจีดาพวกเขาจะไม่พบนะอาลียาผู้คุ้มครองคนช่วยเหลือทั้งหลายอื่นจากพระองค์คนเที่ถ้าไม่เอาศาสนาเนี่ยอลัลลอฮ์เรียกว่าคนคนนั้นเป็นคนหลงทางถ้าคนหลงทางเนี่ยอลัลลอฮ์ให้อะไรมาอยู่กับคนหลงทางรู้ไหมอะไรไซตอน คนที่อยู่ในศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ให้ใครมาอยู่มาละอิกะมาอยู่พูดแต่ปากเลยดังนั้นคนที่หลงทางเนี่ยอัลลอฮ์ให้ใชายตอนมาอยู่กำกับชีวิตเขาอยู่กับชีวิตของเขาอยู่กับคนนี้ตลอดเวลาเลยไม่ต้องไปไดรเจคเตอร์เราไม่ต้องไปมันอัตโนมัติไม่ต้องเหนื่อยมาเลยนาะชายตอนก็นไม่เหนื่อยด้วยอยู่กับมันประจําทุกวันทุกวันทุกวัน เอาลอจะนั้นคนที่มีาศาสนาเอาลอให้ใครส่งมานะส่งมาลัยกามาอยู่กับคนนี้อ่าสังเกตยังไงมีอยู่วันหนึ่งน บ, บียืนอยู่ท่านอบูบักถูกดา่ามีสาว บ, บ้านน บ, บีคนหนึ่งอ่ะสาว บ, บักท่านอบูบักเนี่ยถูกดา่าใครมาดา่ายิวมาดา่ดาด่าท่านอบูบักดดา่ดาดา่ดาดดดน บ, บียืนอยู่น บ, บียืนยิน้ม ตอนดา่าไม่ไหมท่านอาบูบักไม่ด่าตอบพอท่านอาบูบักอดไม่ไหวก็ค้นน่ะนะถึงจะอยู่ใกล้นบีก็จริ ง, ก, ก, รงนะก็ด่าตอบเป็นบางคำพอด่าตอบเป็นบางคำนบีเดินออกท่านอาบูบักเห็นนบีเดินออกก็เลยเดินตามนาบีไปแล้วก็ถามว่ามุฮัมมัดเดินออกมาทาไมนบีก็บอกว่ามาตอนที่ท่านถูกดา่า ฉันเห็นมะลายิก่างไม่ยืนด่าแทนท่านอยู่แต่ใ น, นเมื่อท่านมาทําหน้าที่เองเห็นมะลายิก้าเดินออกแล้วใครมาแทนชาตอนมาแทนเชิญชาตอนมาฉันก็ห น, นี้น่ะสิฉันก็ออก <c oughs> พี่น้องครับนี่นภาพเหล่านี้นะมองไม่เห็นด้วยสายตาแต่แตนบีเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้น คนที่อยู่ในทางนําเนี่ยต้องอดทนสูงนะคนอยู่ในทางนําคนมีศาสนาอรรนี่ต้องตื่นตีสี่คิดอยูสินักเรียนเนี่ยตื่นตีตีสี่ถ้าตีสี่ยี่สิบห้าต้องตื่นแล้วใช่ไหมต้องอดทนไหมต้องอดทนมามาน้ามากันเถอมัสยิดอ๋อเราเรามาจากบ้านเนี่ยนั่งรถมาอ๋อยนั่งรถมาไกลนะ หวังอะไรหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ต้องอดทนไม่ต้องอดทนออดทนั่นคนอยู่ในทางนําทําอะไรนี่มันสงบสบายใจละฮะดูดิละอาวต่อมาครับคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยนะไม่มีใครช่วยได้ใช้ตอนนะ่ะมาน่ะมายุน่ะมาใช้มานะมาช่วยนะ่ะมาเสริมมายุมันเร็วมาส่งมาเสริมให้มันเร็วมากกว่าเกาวเองอทีนี้เป็นยังไงวะนะซูรุหม และเราจะอะไรนะชุมนุมอ่านี่แสดงว่าต้องตายตายแล้วฟื้นฟื้นขึ้นมาพี่น้องภาพแต่วันฟื้นขึ้นเชื่ออ่นานฮะดิษอ่อนรอน่ากลัวมากเลยนี่ผมอ่นานฮะดิษเมนนื่อคืนเนี่ยอ่านฮะดิษนะพ อ, อฟื้นขึ้นมาเนี่ยสลัดสลัดผมฝุ่นมันติดที่ศีรษะแล้วก็มยมัอยู่สามภาพนะภาพที่หนึ่งเนี่ย บางคนยืนอยู่ในทุ่งม้าชาัดน า, นานประมาณห้าหมื่นปีบางคนพันปีแต่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่อีมานต่ออ AH, ัลลอฮ์จริงๆปฏิบัติตามอัลล AH, นะฮ์ทำความดีแล้วก็ความช่วยแล้วก็เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์แล้วก่อนตายนะเขายืนอยู่บนทุ่งมาชาดเนี่ยนานเท่ากับนมาตนมากรานอ่ะอาสองอ้าอดสีก็แค่นั้นเองแป๊บเดียวนี่ภาพ นบีเล่าให้ฟังอัลลออักบัอ้าววันนชูรุฮุมเราจะชุมนุมพวกเขาเหล่านั้นยา้ามาลงตี亚马ในวันอะไรในวันฟื้นคื้นชีพตี亚马ไปไว่ายืนอาดะวูจูฮิหิมวูจูบนใบหน้ายืนบนใบหน้าของพวกเขาอัลลอฮฺอักบัด อธิบายยังไงมีห a d i t อธิบายยังไงอิมามอ Ahmad ก้อเรื่องนอะตุอนัสบินมาลิกยาคูลที่ะลารืองสลุลลอห์ท่านอนัสบินมาลิกได้อธิบายบอกว่ามีคนคนหนึ่งมาหาท่านนบีมาถามท่านนบีว่าไกฟัยชุรุนนัสอาเลวูฮิฮิมมนุษย์เนี่ยจะถูกชุมนุมกันให้ยืนบนใบหน้าเนี่ยอธิบายยังไงกอแลนบีตอบ الذي أمشىهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجههم ใครที่สามารถใชยเท้าเดินบนตุนยาไปนี่เห็นไหมเท้าเดินกันทุกคนนะวันเกียรมะคนที่เอาเท้าเดินอัลลอก็สามารถให้ใบหน้าเดินแทนเท้าได้นี่อธิบายเห็นยังอัลลอจะให้ชุมนุมพวกเขาเหล่านั้น บนใบหน้าของพวกเขาเอาหน้าเอาหน้าเดินเอาหน้าเดินเนี่ยพวกเรายังงงงอยู่เอา้าอิคารดสหนึ่งท่านอิบอิมามอิมามอาห์มัดเหมือนกันอ as ja ินนะันน um ัสยาชูรุนาลาสลาสติอฟเวชวันนั้นมนุษย์จะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งรอคิบินตอิมินกาซีน กลุ่มหนึ่งเนี่ยชายยานปหาหนะชา ย, ยานขี่สัตว์ขี่สัตว์ยานประหนะไม่รู้ว่าสัตว์อะไรไม่รู้ว่าร้อนแล้วไม่รู้ชายยานประหนะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าด้วยอ้าวเห็นไหมเฉพาะคมกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้ก็คือบรรดา น, นับีุล่ลาะห์ส่วนใหญ่นะอีกกลุ่มหนึ่งฟาอุนยัมชูนะวาวยาสาอุนยกลุ่มหนึ่งเนี่ยชายเดินแล้วก็ใชาหัวเดินเนี่ยโอโลวะกะบัส ว่าฝ่าวโยอีกุมหนึ่งเนี่ยตุซัที่พวกเขาอาละต้องให้พวกเขลากพวกเขาเหล่านั้นมลาลายการลากเอาใบหน้าของพวกเขานั้นไถกับดินคือจับเทา้าอ่าอธิบายว่าจับเทา้าแล้วก็ลากบาใบหน้ามลาลายการลากไอ้ตุงมาชัดอะ่ะจับเทา้าแล้วก็เอาหน้าลากลากไปไหนอะ่ะอิลา น, น่าดิลากไปอยู่โยนไฟนรก มีอยู่สามภาพภาพเดินมีภาพผีสัตว์มีภาพเอาหน้าลากไถกับดินมีสามภาพเนี่ยคุณอ่านอธิบายชัดขอดว่าตอนลออย่าเอาหน้าเดินเลยเอาหน้าเดินก็นหมายความว่าหนึ่งเอาหน้าเดินจริงๆหรือใบหน้าเนี่ยถูกจับขาลากบนพื้นทรายพื้นดิน และเป็นไงเอายันตาบอดบุกมุนบุกมันเป็นใบซุมมันหูหนวกตาบอดเป็นใบหูหนวกนี่พอลงนะรกปั๊บตาสว่างเลยตอนเดินอยู่บนทุ่งม้าชันมองอะไรไม่เห็นต้องการจะอธิบายว่าตอนอยู่บนดุนยาก็เหมือนกันอัลลอให้ศาสนามา มองไม่เห็นอัลลอฮฺให้คําพิร์อุรอ่านมาไม่เคยอ่า น, เ ห, น, นเหมือนเหมือนเหมืเปรนเป็นคนใบ้แล้วก็ซุ่มซุมม่นหูหนวกไม่เคยฟังกุงอาเลยแต่เพลงออก็ฟังได้ทุกวันอัลลอฮฺมันจะสั่งให้ฟังเพลงสักทีหนึ่งแต่ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ชอบฟังเพลงเห็นไหมตัวเรว่าหูหนวกตาบอดไปเป็นใบ้บนดุลยาและอาคริร ด, ด้วยตาบอดในในอะไรนะ บอดจริงๆในในทุ่งมาชัดหูไม่ได้ยินจริง ๆ, ๆในทุ่งมาชัดแล้วก็ตาก็ไม่เห็นแต่พอถูกไฟปั๊บโอ้โหสว่างจ้าเลยนะดูกุรนะานะวามาวหุมยันนำและที่พำนักของเขาคือนรกมาวาหุมยันนมที่อยู่ของเขาที่พำนักของเขาคือนรก ทีนี้ไฟนรกกับไฟดุนยาไม่เหมือนกันอ่านต่อไปกุลละมาขอบัตทุกครั้งที่ชาวนรกคิดว่ามันมอดขอบัดแต่ว่ามอดหรือว่ามันดับไฟบนดุนยาเนี่ยพอจุดแล้วว่ารอมอดใช่ไม่ใช่รอดับแต่ไฟในโลกอาคิอครอไฟในนรกไม่ใช่รอมอดรอเพิ่มยิ่งร้อน นึกว่ามันจะดับกั บ, กบอะไรนะ z ิ n นา h ุมเราเพิ่มมันอีกเพิ่มมันมาร้อนมากกว่าเก่าเพิ่มร้อนกว่าเก่ากร้อนกว่าเก่าร้อนกว่าเก่าสายรอเอารอผมมาคืนอนอนตลางหาเห็นในอย่างนี้กูอา่านเล่าเองเอาลอนเล่าเองต้องการจะเล่าสองภาพภาพหนึ่งภาพดุนยาภาพดุนยานี้ไฟนี่นะพอเราจุดภาพนี่รออะไรรอดับรอมอด แบบตัอิมามโซที่ไหม่นะ่ะก็ต้องตัดกันใช่ไหมนะ่ะนี่ถ้าเรงลุกอยู่ถึงวันนี้จะยุ่งนะแต่ในวันกิยามะไม่ใช่อย่างนั้นตรงกันข้ามเลยถ้าไฟถูกจุดแล้วรอเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มอัลลอฮฺมันจะรอหมอดแต่ที่เรามันนึกอนะ่ะรึกภาพดุนยาเนี่ยเอ้เมื่อไรมันจะหมดสักทีนึ่งที่ไหนได้อะ่ะ ยิ่งร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นในกรุงอานนีอีกอย่างหนังเนี่ยแค่ไหมเต็มทีก็อะไรนะไหมมันก็เกลี่ยมหมดใช่ไหมนะ่ะนึกว่าโจบที่ไหนได้บัดดาณายูู่ดันรอยรออลเราจะเปลี่ยนหนังมาใหม่อีกอา้าวนั่นภาพอาคิรอ้องเรานึกภาพอาคิร้องเยอะๆในพี่น้องเราจะไม่กล้าทาบาปหรือทบาปอยู่แล้วจะได้เลิกอนะ่ะ ไม่เข้าสุราก็หยุดมาสุราเรอ้มาทำความดีมาอ่านกรุรอานมาซิกรุณามาทำดีกับพ่อแม่หวังรางวัลตอบแทนจากอรรถทั้งหมดถ้านึกถึงภาพอาคีรอเยอะๆเนี่ยดีนะอืมเอาสรุปแล้วกันกะ็คือว่าอายานีต้องการจะบอกว่าคนที่ไม่เอาศาสนานั้นอลรถจะชุมนุมพวกเขาเหล่านั้นในสภาพคนตาบอดเนี่ยในสภาพหูหนวกเป็นใบแล้วก็ลากอะไรนะ ลากขาจับขาเอาหน้าไถโยนลงนรกหรือยอือหรือตีตีความว่าชายหน้าเดินอัลลออักุบัตินาอูซบิลลัลยัยมียังไงเลนะเลาอายะที่เก้าสิบแปดอายะสุดท้ายอัลลอฮเล่าเองนะครับรลลกจาจาอูฮุมนั่นคือการตอบแทนของพวกเขา ตอบแทนอะไรตอบแทนที่ไม่เอ า, าศาสนาแลวอยู่สบายวันนี้ใช่ไหมอัลลอฮให้อยู่สบายมีบ้านอยู่มีผู้หญิงเปลี่ยนหน้าทุกอาทิตย์ทุกเดือนมาตรง น, นี้ก้าอยู่ไหมเจไดกะยาจาอูฮุมนี่คือการตอบแทนของพวกเขาบิอันนาฮุมเนื่องจากพวกเขากาฟารูปฏิเสธ บายาตินาองค์การทั้งหลายของเราคำว่าองค์การมีสองสองอย่างนะปฏิเสธกุรานอายะนี้ด้วยหรือทุกอายา้นการพีกูณราณาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคำว่าองค์การเนี่ยหมายถึงเนี่ยต้นมองต้นไม้อายาต่างต่างที่อัลลอ์ให้มาชั้นฟ้าแผ่นดินภูเขาแม่ น, มน้ำลำธารใช่ไหมนี่เป็นอายาตอยู่นอกคุรานกับอายาที่อยู่ในคุรานมีสองอายา สัญญาณสัญญาณในกูนอ่านมาถึงอายาทั้งหมดหกพันหกร้อยกว่าอายาแล้วก็อายาทนอกกูนอ่านก็คือยังไงแผ่นดินภูเขาเหตุการณ์ต่างๆที่เอาล่อให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เห็นทุกวันนะใช่ไหมแผ่นดินไหวตรงนู่นนี่เป็นอายาตาอะไรห้าห้าสิบคนเครื่งบินตกนี่เป็นอายาแผ่นดินแห้งแล้งเป็นอายาเราอ่านอายาต่างๆเหล่านั้นหรือเปล่า คนจีนก็ซือพิมพ์กว่าบรรยาอยู่แล้วทีวีกว่าบรรยาอยู่แล้วเราได้ข้อคิดจากอายาตต่างๆเหล่านั้นหรือเปล่านี่เป็นข้อเตือนใจที่ดีทีนี้ใครที่ปฏิเสธคือไม่เอาอายาที่อลัลลอฮ์ให้มาไม่อ่านเลย อ, อ่านการเมืองอย่างเดียวการเมืองจะเป็นอายาผู้น้าก็เป็นอายาใช่ไหมว่ากอลูและพวกเขากล่าวว่า ไอ้าอราคุณไอ้อรอมเมื่อเราเป็นไอซรอมแปลว่ารกระดูกเมื่อเราตายไปแล้วเป็นกระดูกวารูฟาต้าแล้วก็เป็นปนผุปนไปแล้วเป็นดินไปแล้วเป็นผงไปแล้ว บางคนนะ่ะแข็งเป็นเหล็กเป็นกระดูกมีไหมมีเป็นกระดูกหรือแต่กระดูกอะ่ะบางทีบางคนเนี่ยผางกระดูกก็ไม่เจอเห็นไหมล่ะเป็นฝุน่นไปแล้วเนี่ยถามว่าอาอินนาละมาบาโอซูลเราจะถูกให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือ อ, อ๋อเนี่ยพวกเราเนี่ยนะถ้าไม่อ่านกุูอ่านนะ ไม่เรียนสุนนะไม่อ่านฮะ ด, ดีษนะเราก็คิดบางคนกาเ ฟ, ฟ่คิดนั่นแหละตายแล้วตายเลยใช่ไหมฟื้นไหมไม่ฟื้น <c oughs> ผมอ่านตับซีภาษาอุรดูภาษาอุรดูก็ว่ า, า ง, งี้ทุกศาสนาก่อนศาสนาอิสลามนำโดยนบี ม, มูฮัมมัดจะอุบัติขึ้นเนี่ย <c oughs> ยะฮูดีนอสรลณีมาจูซีซออีบิน พวกกราบไหว้รูปปั้นพวกบูชาวัตถุทุกคนเชื่อว่าตายแล้วไม่ฟืน้นรต่ฟื้นภาษาอุรดูเกือทุกศาสนาในโลกยะฮูดีก็คิดแบบนี้แหละแล้วก็พวกนาซอร์รอก็คิดนี้มายูซีบูชาไฟพวกซออีบินพวกซอยีบีนแล้วพวกที่บูชารูปเจเวทพวกบูชาวัตถุทั้งหมดนี่นะ ไม่เอาวิญญาณเอาวัตถุวัตถุอย่างเดียวนี่นะเชื่อแล้วว่าตายแล้วไม่ฟืน้นเน่าแล้วเปื่อยไปแล้วไม่ฟืน้นยังไงยังไงก็ไม่ฟืน้นแม้แต่ในวันนี้ในเยอรมันในอังกฤษในฝรั่งเศสคนส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อว่าตายแล้วต้องฟืน้นไม่เชื่อไอ้คนที่เชื่อมันอยู่กลุ่มเดียวนะ่ะกลุ่มที่อ่านกลุ่มอ่านเรื่อนี้แล้วอาจารย์อันนอลลอฮ์ให้สังเกต แ่นดินที่แห้งแล้งพอแล้วฝนตกมาอะไรขึ้นต้นไม้ไม้ยังไงไม้ยังไงผมก็ดูกูโบเนี่ยตอนที่เอาดินจากจากในคอมเนี่ยขึ้นไป น, นะผมก็สังเกตนะเตี่มขึ้นเต็มหมดเลยน่ะ้าก็นั่งเลือกเนะ พี่น้องเราที่เดินผ่านกูโบนี่ยไม่รู้ว่านึกอะไรขึ้นมาผมนึกอยู่นะแต่คนอื่นนึกหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมนึกย่ามาจากไหนอ่ะมาจากไหนย่าสมัยก่อนเราอยู่เป็นกลางทุ่งกลางนาตรงนี้มันนาหมดใช่ไหมพอฝนตกในกลางคืนปลามาจากไหนอ่ะบะมังปอมหมอให้เต็ไมไปหมดผมคนเดียวที่หาปอมหมอไม่เคยได้ทั้ทีคนอื่นก็ได้เป็นกระชัง จ, จีรีมเนี่ยไปกับผมอารีมได้เป็นร้อยเราตัวกันก็ไม่ได้อารอกไม่ให้รีดกี้สุวนนี้ไม่ได้มาได้ส่วนนี้เอานี <c oughs> ่น้องนี่แหละฉะนั้นคนสงสัยไหมสงสัยอีกเยอะอ อ, อินนาอีซากุนนาอีโรมันเมื่อเรากลายเป็นกระดูกวารุฟานเป็นผุยอะไรเป็นเป็นเป็นผุบบนไปแล้วเนี่ยออินนาลมามบาอองซู เราจะถูกให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือพอนกรักนจะดีดันเป็นการกำเนิดใหม่เกิดมาใหม่เนี่ยอัลลอฮ์เป็นได้ยังไง อ, อัลลอฮ์ตอบนะกะบียรกุรอานอายาที่เก้าสิเก้าไม่อ่านละเวลาหมดอัลลอฮ์ว่าเคยสังเกตบ้างหรือเปล่ารอบๆอตัวคุณน่ะอัลลอฮ์ค้อนกรันสมาว่าที่ว่าอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินใหญ่กว่าคุณตั้งเยอะฉันยังทําได้อะและไอ้คุณเนี่ยตัว ก็เจ๊กดเดียวมันจะท่ามาสูจิเนี่ยเทรานเหนจะทำไม่ได้ชั้นฟ้านี่ยใหญ่กว่าหญ่ด้วยเดินอวกาศเดินไปดิและไอ้ดาวดวงเล็กๆที่อยู่บนชั้นฟ้าน่มองดูมันเป็นล้านน่ะันยังทำได้ภายในหวันหกระยะถามว่าสร้างมนุษย์จะสร้างแผ่นแผ่นดินภูเขาชั้นฟ้าเนี่ยใครจะสร้างยากกว่ากันแน่นอนที่สุด ชั้นฟ้าน่ะยากกว่าแผ่นดินน่ะหนักกว่าและมนุษย์เนี่ยลอลภอคต์กระจอกพูดง่ายๆว่ากระจอกมากเลยฉะนั้นไม่ต้องไปสงสยัยคุณต้องเกิดแน่ๆและต้องฟื้นมาใหม่อีกครั้งหนึง่งแน่ๆครับสสุาาาาวววััลลกกบบรรนนออต